นี่ก็มาขึ้นปัญหาที่สําคัญเนี่ยนะปัญหาที่สําคัญมากอันหนึ่งเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องการถวายทานกับพระพุทธเจ้าหรือกับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันเนี่ยนะถามมาขว่าเครื่องสักการะเนี่ยนะถ้าเจาะจงพระพุทธเจ้ากับเจาะจงพระภิกษุสงฆ์เนี่ยสิ่งไหนจะเป็นของที่เรียกว่าได้บุญมากกว่ากัน แล้วก็ขณะเดียวกันแล้วพระพุทธเจ้าแนะนำว่าอย่างไรพระเจ้ามิลินกลับเรียนถามว่าพระกุณเจ้าน่าเกษณพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งความข้อนี้แก่พระมาตุฉาคือพระนาพระนานงคือพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้กำลังถวายผ้าอาบน้ำฝนว่าสังเคโคตมิเดหิ สังเค เ, เตดินเนอหันเจวะปูชิโตโภวิสามิสังโคจะดูก่อนพระนางโคตมีขอพระองค์จงถวายในพระสงฆ์เถิดก็คือตอนนั้นเนี่ยนางเรียกว่าอุ้มผ้าชั้นดีเนี่ยที่ทำด้วยมือของตัวเองช่วยเหลือทุกอย่างเนี่ยนะตั้งใจจริงๆมาเป็นพุทธบูชาเพราะว่าถือว่าเป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่ตัวเองอยากจะทำกับพระพุทธเจ้ามากเพราะอุ้มไปถึง เอื้อมไปถวายพระองค์ก็บอกว่าจงถวายภาพผืนนั้นแก่สงเถิดแต่พระนางก็เศร้ามากเลยนะแม้แต่ตั้งใจจะทํามาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าจงถวายแก่สงเถิดเมื่อพระองค์ได้ถวายในสงแล้วก็จับเป็นอันได้บูชาอาตมาภาพด้วยและเป็นอันได้บูชาสงด้วยถ้าถวายสงนะ์ก็ชื่อว่าได้บูชาพระพุทธเจ้าบูชาสงด้วยเท่ากับบูชาสองอย่างเลยนะ พระคุณเจ้านากเกษพระตถาคตทรงเป็นบุคคลที่ไม่ควรตระหนักไม่ควรเคารพไม่ทรงเป็นทักกินยะบุคคลยิ่งกว่าสังครัตนะหรือไรก็แปลว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีกว่าพระสงฆ์หรืออย่างไร พระตถ า, าคตจึงรับสั่งให้พระมาตุชาคือพน้านางเนี่ยถวายผ้าอาบน้ำฝนที่พน า, นางทรงย้อมสีเองเกี่ว่าปอกฝ้ายเองระบมเองปั่นเองทอเองอะ่ะที่กำลังถวายพระองค์อยู่แก่พระสงฆ์ทำไมเกี่ยว่าเครื่องบรรณาการเจาะจงพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าเอาโนนเอาไปถวายสงโนนเนี่ยนะเอ๊เป็นอย่างนี้ไม่รักกันหรือไงอะนะไม่หวังดีไม่ปรารถนาดีไม่ต้องการให้พนางได้บุญหรือ พระคุณเจ้านากเกษตถ้าหากว่าพระตถาคตทรงเป็นผู้สูงส่งกว่าหรือยิ่งกว่าหรือวิเศษกว่าพระสังขรตนะคือถ้าพระองค์ดีกว่าพระสงฆ์จริงนะนะพระองค์ก็จะตรัสว่าเมื่อได้ถวายในอัตมาภาพก็จะมีผลมากดังนี้จะไม่รับสั่งให้พระมาตุดฉาถวายผ้าอาบน้ำฝนที่ทรงย้อมสีเสียเองเนี่ยนะปอกเอง แล้วก็ระบมเองแกสงมาเพราะว่านางเนี่ยอุปกรณ์ฝ้ายตั้งแต่มเมล็ดฝ้ายเนี่ยทำขึ้นมาจนกลายเป็นผ้านเนี่ย้านางเนี่ยเข้าไปช่วยเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยเข้าไปร่วมตลอดเลยเนี่ยกลับแหมเจาะจงพระพุทธเจ้าโดยตรงด้วยกลับบอกว่าเอาไปถวายสงเถอ เพราะเหตุที่พระตถาคตไม่โปรดไม่ปรารถนาะไม่โปรดจะให้อิงอาศัยพระองค์พระตถาคตจึงรับสั่งให้พระมาตุฉาถวายผ้าอาบน้ําฝนผืนนั้นแก่พระสง์เสียก็แสดงว่าก้าว่าเหมือนกับพระพุทธเจ้ามีอคติอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าไม่ดีจริงอ่ะนะหรือพระองค์มีอคติหรือว่าพระองค์ไม่ดีจริงจึงสั่งให้ไปถวายสงเรา อันนี้ข้อความนี้อยู่ในทักทินาวิพังคสูตรมัชชิมนิกาน่นะซึ่งพระนาคเษนก็แก้ปัญหาตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับสั่งความข้อนี้แก่พระมาตุฉามหาประชาบดีโคตมีผู้กำลังถวายผ้าอาบน้ำฝนว่าดูก่อนพระนางโคตมีขอพระองค์จงถวายในพระสงเทิด เมื่อพระองค์ได้ถวายในพระสงฆ์แล้วก็จักเป็นอันได้บูชาอัตมาภาพด้วยได้บูชาพระสงฆ์ด้วยดังนี้จริงนะในทักยีนาวิพังกสูตรนะตอนนั้นเป็นปีแรกที่พระองค์ปีที่พระองค์เข้าไปที่เมืองกบิลพั์ใหม่เนี่ยนะหลังจากที่คือคือพระนางเนี่ยมีความตั้งใจคือเนื่องจากว่ารักพระพุทธเจ้ามากเนี่ยนะก็อยากจะทําอะไรที่พิเศษที่ทําด้วยมือของตัวเองเพื่อเป็นพุทธบูชา แต่คําที่พระองค์ตรัสให้รับสั่งเอาผ้าผืนนั้นไปถวายแก่สงก็เพราะเพราะอะไรเพราะความที่ทานของผู้น้อมถวายเฉพาะพระองค์นั้นเป็นวิบากมีผลตอบแทนมะน้อยมีอา น, นิสงส์น้อยกว่ามไม่ที่พระองค์บอกให้เอาผ้าอันนี้ไปถวายแก่สงเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะถวายแก่พระองค์แล้วได้อา น, นิสงส์น้อยนะไม่ได้แปลว่าอย่างนั้น เพราะความที่พระองค์ไม่ใช่ทักษินายบุคคลชั้นยอดก็หาไม่คือพระองค์ไม่คู่ควรแก่ภาาผืนนั้นอนะไรเงก็ไม่ใช่พระองค์เป็นผู้คู่ควรแก่ภาาผืนนั้นที่สุดอะไรเงี้ยนะในบรรดาผู้ควรแก่รับทักษิณาทานนะ่ยนะผู้เรียกว่ายอดของทักษินายบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกก็ไม่มีผู้ใดจะเสมอเหมือนเปรียบเทียบเทียมเท่ากับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วต้อบอกว่า ถ้าจะถาวายทานเจาะจงบุคคลเนี่ยนะเอาปุตุชนมาเลยนั่งเครื่องชมพูทวีปนะแล้วก็ครึ่งหนึ่งจากนั้นเป็นพัสดูดาบันครึ่งของพระโสดาบันเป็นพระสกา ธ, ธาคามีครึ่งของพระสกา ธ, ธาคามีก็เป็นพระอนาคพระอรหันพระสกาธาอนาคามีครึ่งของอน า, าคามีก็เป็นพระอรหันครึ่งของพระอรหัน์ก็เป็นพระปเจกพระพุทธเจ้านั่งเรียงหน้ากระดานในห้องจักรวาลเนี่ย ห้องชมพูทวีปนี่ก็ได้พระพุทธเจ้าองค์เดียวเนี่ยนะทำบุญเจาะจงบุคคลเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวมีผลมากกว่ามีอเนสง์มากกว่าบางคนเขาบอกว่าโอ้โหมันจะเป็นไปได้หรือมันเยอะขนาดนี้มันน่าจะได้บุญมากอะพระพุทธเจ้าใช่ไหมโอ้เอาคนมาตั้งมากมายแล้วทําบุญกับประชากรจํานวนมากขนาดนั้นเนี่ยมันน่าจะได้บุญมากได้อเนสง์มากกว่าทํากับบุคคลทั่วๆไปน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม ก็มาีนถ้าเราพูดนะเราติดตั้งเนี่ยหลอดไฟนี่ให้มันทั่วโลกเลยนะหลอดไฟเนี่ยไฟไฟนีออนเลยนะที่มันสว่างสว่างชั้นดีเลยนะตั้งทั้งโลกให้มันเป็นพื้นเดียวกันเนี่ยกับลวงตอนกลางวันเนี่ยนะดวงอาทิตย์ส่องมาไหนสว่างกันเห็นไหมถ้าหากว่าแบบอะไรนะถ้าเอาหลอดนีออนเนี่ยนะมาตั้งตอนกลางวันนะแล้วก็ตรงที่แดดส่องนะเหมือนกับไม่มีไฟเลยเชื่อไหม ถึงจะเอามาเป็นล้านหลอดมันก็ไม่ได้สว่างเท่ากับดวงอาทิตย์ดวงเดียวฉันใดในบรรดาสัตว์โลกทั้งโลกเนี่ยนะจะเอาใครมาเทียบเท่ากับพระพุทธเจ้าได้เล่าเพราะในโลกพร้อมทั้งเทวโลกผู้ใดจะเสมอเท่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่างเมื่อกี้ที่เราอ่านว่าชนเราใดเลื่อมใสพระพุทธเจ้าผู้เลิศ ก, ก็ย่อมได้รับผลอันเลิศเพราเรารับถือพระพุทธเจ้านี่ถือว่าถูกต้องแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้น ที่พระองค์ตรัสอย่างนี้ม่นจะบ่าพระองค์ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นนาบุญถ้าไปเปรียบกับสงเหตุผลขอถวายพระพรเนื่องจากว่าพระตถาคตทรงมีพระดาริว่าในอนาคตการเมื่อพระองค์ล่วงลับดับขันธปรินิพานไปแล้วพระสงฆ์จักเป็นผู้ที่ชาวบริษัทจักกระทําความยำเกรงดังนี้คือก็บอกว่าเมื่อ พระองค์ดับขันธปรินิพานแล้วก็แบบทุกคนก็แหมไอ้พวกนี้มันก็ลูกเราทั้งนั้นญ า, าติเราทั้งนั้นแหละที่เข้ามาบวชจะต้องไปเกรงใจกันทําไมเป็นต้นเนี่ยนะเขาก็จะไม่คิดอย่างนั้นทุกคนก็จะร่วมไกันเกรงใจพระสงฆ์กันนะนะพระองค์เนี่ยที่ทำอย่างนี้เพื่อที่จะยกย่องคุณของพระสงฆ์ที่มีอยู่ตามเป็นจริงเพราะว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคำว่าสงฆ์เนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ได้สั่งให้ไปถวายบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะ แต่พระองค์ว่าให้ไปถวายแก่สงขึ้นชื่อว่าสงที่ชั่วไม่มีเพราะว่าสงคือหมู่คณะสาวออสเรียกว่าในจํานวนหมู่คณะทั้งหลายเนี่ยนะชนที่รัวอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะทั้งมวลเนี่ยนะทั้งทั้งที่ไหนก็ช่างอถ้ารวมกันเป็นกลุ่มสงสาวกของพระพุทธเจ้าดีที่สุดในบรรดากลุ่มชนทั้งหลาย เพราะว่าคู่แห่งพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นทุกคนล้วนแต่ปฏิบัติดีล้วนแต่ปฏิบัติตรงล้วนแต่ปฏิบัตเิเพื่อรู้ธรรมเพื่อนําออกจากทุกปฏิบัติธรรม um, สมควรแก่ธรรมแล้วท่านเหล่านั้นคือสงที่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกปฏิบัติออตสมควรแก่การกราบการไหว้กา ร, Pink, Cage, ร, รลุกรับการเชื่อเชิญการทําอัญเชลีกรรมสามีจกรรมนั้นก็คือกลุ่มพระโสดาวันพระสกทาคามีพระอนาคามีและ พระอรหันต์พระองค์เนี่ยน้อมให้เจาะจงไปหา ส, สง์ที่ประพฤติดีและปฏิบัติชอบเนี่ยนะเพราะใช้คําว่าอ้างว่าสงสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วที่ปฏิบัติไม่ดีไม่มีแต่ก็บอกว่าอา้าวแล้วก็มีบางคนที่ชั่วชา้าเลวร้ายอะอา้าวกานาพันไร่มันก็มีข้าวรีบอยู่ในนั้นน่ะถึงจะมีข้าวรีบอยู่นั้นเขาเรียกว่าข้าวไหมลนะ่ะเอาได้ชื่อว่าข้าวแต่ไม่มีเม็ดเมล็ดเนี่ยนะแต่ชื่อว่าข้าวเฉยเยเนี่ยนะพวกเขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกอะไรนะสะดือข้า ว, วเขาเรียกอะไรนะข้าวรีบอ่ะข้าวรีบเนี่ยเป็นข้าวที่ไม่มีเนตรไนอ่ะถึงจะดูสีเหมือนข้าวแต่ก็ไม่ใช่ข้าวอย่าไปเข้าใจว่าข้าวคนที่ไม่ใช่สมณะเนี่ยนะ ที่ทําตัวเทียมสมณะทั้งหลายก็อย่าไปเข้าใจว่าเป็นสมณะเนี่ยนะสมณะคือผู้ที่เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกท า, าคามีพระอนาคามีและพระหัน์บุคคลเหล่านั้นที่ทําตัวเทียมหมายคําว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติแต่เข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอริยะเป็นต้นเพื่อจะหลอกลวงประชุมชนเขาก็คือข่าวเลือกเท่านั้นแหล ะ, ะนะบางคัมพีร์ท่านใช้คําว่าสุนัขจิ้งจอก เอาหนังราชสีมาหมเท่านั้นเองก็อย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็นราชสีเนี่ยนะสุนักคลุมตัวด้วยหนังราชสีเรียกว่าราชสีไหมก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นนักบวชบางคนที่ทำตัวไม่ดีเป็นร่นเนี่ยนะที่ไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าเราจะไปยกว่าเป็น สาวกของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเขาเป็นพวกที่แอบอิงอยู่เท่านั้นเนี่ยนะเป็นบุคคลที่แอบอิงเพราะฉะนั้นสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมวินยัยตรัสรูม้มรรคผลตามพระองค์นั้นจึงเป็นบุคคลที่เลิศนะทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์เนี่ยอยู่ได้ตลอดไปไหม ไม้พระองค์ก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเทียบตั้งกับวันนั้นเนี่ยนะสี่สิกว่าปีถัดจากนั้นไปพระองค์ก็ดับขันปริญิพานแล้วคือไม่นานจากนั้นพระองค์ก็ปรินิพานแต่สงฆ์ก็ยังมีมาเรื่อยๆเนี่ยนะจวบแม้กระทั่งเราศึกษาล่วงเลยมาสองพันกว่าปีแล้วก็ยังมีพระสงฆ์อยู่ยังถามว่าตอนนี้มีพระอริยะอยู่ไหมบอกถ้าเราไม่เป็นอริยะเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นอริยะเนี่ยนะคนตาบอดจะไม่รู้หรอกว่าใครตาดีอันไหะ อา้า็เราตาบอดมาช่วยๆกันดูซิว่าเผื่อใครจะมีตาดีเพราะตาบอดหลอกตาบอดมันก็หลอกไดไม้มันก็ไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าคนตาดีเห็นคนตาบอดไหมเห็นคนตาบอดเห็นคนตาดีไหมไม่เห็นเพราะฉะนั้นปูตุชนยังไงก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพระโสดาบันหรอกนะถึงพระโสดาบันมาบอกเราเองก็ไม่รู้จะเชื่อจริงหรือเปล่าก็เรามันทาไมก็เรามันบอดอะ ฉันใดก็ดีเพราะฉันอย่าไปมาคิดในลักษณะหนึ่งเลยเะนั้นเวลาทำบุญให้ฐานก็น้อลมราลึกถึงสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์ต้องการจะยกย่องพระสงฆ์เยนะถ้าหากว่าเอาจริงถ้าไม่มีองค์กรสงฆ์เนี่ยผู้ศาสนาอยู่ได้ไหมเนี่ย น, นะก็นับว่ายากเย น, น, นะ ก็ก็นับว่ายากเลยแหละแม้กระทั่งตำรับตำราที่เราศึกษาเล่าเรียนกันอยู่เนี่ยโดยรวมๆนี่เกิดจากองค์กรสงมาทั้งนั้นแนหะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งว่าโอ้ฉันนับถือแต่พระธรรมฉันไม่นับถือหรอกพระสงฆ์ถามว่าจริงๆแล้วตำรับตำราเหล่านี้เกิดได้อย่างไรแล้วผู้ใดกลุ่มใดสืบทอดกันมาเนี่ยน ะ, ะชุมชนเหล่านันสืบทอดกันมาเพราะคําว่าสง์เนี่ยรวมทั้งผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่ช่วย บกปักรักษาบุคคลเหล่านั้นก็นับว่าเป็นพุทธะเพราะเป็นสุตตพุทธะที่ช่วยทรงจาคาสอนของพระองค์เอาไวน้นะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงน้อมว่าให้ถวายของที่พระที่เอามาเจาะจงพระองค์นั้นแก่แก่สงเพราะอะไรเพราะนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่ออนุเคราะห์แก่สงทั้งหลาย เพราะอะไรเพราะว่าสงฆ์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะที่บวชเข้ามาเนี่ยเป็นพระหนุ่มในน้อยเป็นต้นแล้วใครจะรู้ว่าอนาคตเหล่านั้นท่านจะเป็นผู้ที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะสมุเหมือนกับว่าหน่หน่หนไม้เอ่อน่แห่งต้นหน่หน่หนไม้เนี่ยนะน่ต้นไม้เนี่ยกล้าไม้อะถ้าหากว่าเอามาปลูกไว้ในะที่ดินที่แห้งแล้งเนี่ย ถ้าไม่มีน้ำไม่มีฝนไม่มีอะไรรดไม่มีน้าไม่มีปุ๋ยเนี่ยหน่อไม้กล้าไม้เหล่านั้นจะเติบโตได้ไหมก็ยากถ้าพระพิสุที่บวชเข้ามาใหม่ถึงบวชเข้ามาวันนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้รับอุปการะปัจจัยสี่จากพุทธบริษัททั้งหลายท่านจะบวชอยู่ต่อไปได้ไหมถ้าหากว่าพวกเราแหมหาวิ่งหาแจกอะไรนะวิ่งหาแจกใครที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะถ้าแล้วท่านเหล่านั้นจะมีโอกาสได้ ศึกษาพระธรรมมัวินัยไหมมีโอกาสที่จะได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคผลเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการเอื้อเฟื้อแม้กระทั่งว่าพระนุมเน้นน้อยไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้เนี่ยเป็นความอนุเคราะห์ของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสงฆ์เนี่ยนะเพราะว่าถ้าบูชาต่อสาวกของพระองค์ก็ชื่อว่าบูชาพระองค์ด้วยเหมือนกันกคเราว่าถ้านับถือลูกก็หมายก็ว่านับถือเลยไปถึงพ่อด้วยใช่ไหม ถ้านับถือลูกก็ปแปล ว, ว่าเลยนับถือไปถึงพ่อด้วยเนี่ยนะเนราะพระองค์จึงตรัดอย่างนี้เนี่ยนะเพราะเห็นประโยชน์เพื่อจะเกื้อกูลแก่สง์เพื่อประโยชน์แก่สงเพื่ออนุเคราะห์แก่สง์เหล่านั้นจะได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินยัยอย่าลืมว่าแม้กระทั่งว่าอุตุโภชนะเสนาสนะเป็นต้นก็เป็นสปายะต่อการปฏิบัติต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไปตัดเสบียงพระภิสุสง์เข้าอะไรจะเกิดขึ้น ส ป, ปายะทั้งหลายจะมีได้ไหมก็มีไม่ได้ฉะนั้นพระองค์จึงปรารถนาหวังประโยชน์เกื้อกูลสงเคราะห์แก่ บ, บริษัทด้วยสงเคราะห์ต่อสงด้วยขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์เองก็ไม่ได้ดํารงอยู่นนถ้าเอาอาหารไปถวายพระพุทธเจ้าเป็นพันหม้อแล้วตอนนี้นะพระองค์กระชั น, นไหมเนไหม แล้วถามว่า อ, องค์พระธาตุจริงๆแล้วท่านประกาศทําไมอะไรไหมเป็นต้นคือพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าอย่าไปบูชาอย่างนั้นไม่ใช่แต่หมายคือว่าพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็ยกย่องพระสงฆ์เพราะท่านเหล่านั้นจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลต่ อ, อพระพุทธศาสนาแต่ที่นี้บางคนก็บอกอเจอแต่คนเลวไม่เจอคนดีนะเจอแต่พระไม่ดีเนี่ยนะถามว่าพระดีของคุณเป็นยังไงนะก็ต้องถามอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันว่าเ อ, อพระดีในความคิดของเรานั้น คือใครและต้องพัฒนททำตัวยังไงจึงจะเข้าเป็นพระที่อยู่ในสเปคของเราเนี่ยนะมันคำว่าดีในใจของเราก็ดีโดยธรรมวินัยอาจจะคนละอย่างก็ได้เราต้องพยายามว่าถ้าเราจะเคารพพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะดีตามธรรมดีตามวินยัยดีตามคาสอนนั้นเป็นเช่นไรเพราะฉะนั้นสรุปนะทวนมาว่าพระองค์เนี่ยอนุญาตให้ถวายแก พระสงฆ์ว่าดูกนพระนางโคตมีขอพระองค์ถวายในสงเสริฐ <c oughs> เมื่อพระถวายในสงแล้วพระองค์ก็จักเป็นอันได้บูชาอาตมาภาพด้วยได้บูชาพระสงฆ์ด้วย <c oughs> ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบิดาผู้ที่เป็นบิดาขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเทียวก็กล่าวยกย่องคุณนสมบัติของลูกซึ่งมีอยู่จริงนั่นแหละ ในสำนักของพระราชาก็เรียกว่าเอาลูกไปไปโชว์ตัวนะไปให้รู้จักวันนี้ลูกข้าพเจ้านะอย่างเงี้ยนะก็เรียกว่าต้องการจะฝากฝังลูกเอาไว้นะไปในสำนักก็เรียกว่าไปเอาลูกไปฝากฝัง ก, กับผู้หลักผู้ใหญ่อะนะคล้ายๆแบบนี้ไปยกย่องวันนี้ลูกดีนะนะครับเป็นการฝากฝังไว้ต่อไปในอนาคตก็เรียกว่าฝากฝังเอาไว้ในท่ามกลางของพระราชามหาอํามัด ราชการกําลังพลนายประตูเมืองนายทหารรักษาพระองค์และชาวบริษัททั้งหลายพ่อเหล่านั้นท่านก็คิดว่าบุตรของเราจะได้รับการแต่งตั้งในที่นี้แล้วต่อไปในอนาค ต, ตการจะเป็นผู้ที่คนทั้งหลายบูชานนะเพราะว่ า, อ, า อ, อะไรนะวางสะพานทอดสะพานให้ลูกไม่เดือดร้อนต่อไปในอนาคตเป็นการรักษาลูกของพ่อทั้งหลายที่ควรจะทํา เพราะถ้าหากว่าพ่อไม่เปิดช่องไม่เปิดประตูให้แก่ลูกแล้วเนี่ยนะแล้วใครจะเปิดแนวทางให้แก่ลูกล่ะถ้าหากว่าพ่อไม่เกื้อกูลแก่ลูกแล้วใครจะเกื้อกูลแก่ลูกทั้งหลายล่ะฉันใดพระตถาคตพระองค์ก็ดําริว่าในอนาคตการเมื่อเราล่วงลับไปแล้วสงจากเป็นผู้ที่ชาวบริษัทเนี่ยกระทําความยำเกรงอย่างนี้แล้วก็จะประสงค์ยกย่องคุณของพระสงฆ์ที่มีอยู่จริงนั่นแหล เพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราห์แก่พระสงฆ์เหล่านั้นเนี่ยนะพระองค์จึงตรัสอย่างนี้ว่าดูก่อนพระนางโคตมีขอพระองค์ถวายภาพผืนนี้ในพระสงฆ์เถิดเมื่อพระองค์ได้ถวายในพระสงฆ์แล้วก็จักเป็นอันได้บูชาอัตมาภาพด้วยได้บูชาพระสงฆ์ด้วยฉันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรอันนี้นี่ตอบเหตุผลแรกเนี่ยนะว่าเหตุผลก็คือเป็นการยกย่องของพระพุทธเจ้าที่มีต่อ พระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยนะเพราะว่าพระองค์ต้องการจะฝากฝังคําสอนของพระองค์เอาไว้ในพระภิกษุสงฆ์และก็พระภิกษุสงฆ์จะไดะะ้ได้ไม่ลําบากในปัจจัย4ี่ปฏิบัติแล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้อย่างในที่หนึ่งส่วนในที่สองที่บอกว่าจริงๆแล้วพระสงฆ์ถึงพระองค์จะยกย่องก็ไม่ได้แปลว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าพระองค์อะไรหรอกขอถวายพระพร พระสงฆ์เนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่ยิ่งกว่าหรือวิเศษกว่าพระตถาคตเพราะเหตุสักว่ารับสั่งให้ถวายผ้าอาบน้ําฝนเท่านั้นก็หาไม่แหมเรียกว่าบรรณัการแค่นี้แล้วเอาไปเรียกว่าอะไรนะเขาจะมาถวายพระองค์แล้วฝากไปให้สงเท่านี้ไม่ใช่ถึงกับแหมสงเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าอุปมาขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าผู้เป็นมารดาหรือบิดา ย่อมแต่งตัวให้บดถูตัวให้บดอาบน้ําให้บดสระผมให้บดขอถวายพระพรก็แต่ว่าผู้เป็นบุรชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งกว่าหรือวิเศษกว่าผู้เป็นมารดาและบิดาเพราะเหตุสักว่าเขาแต่งตัวให้ถูตัวให้อาบน้ําให้สะผมให้เท่านั้นหรือหนอแค่นี้ลูกก็เหนือพ่อเหนือแม่เพราะตรงที่พ่อแม่อาบน้าให้ใช่ไหมหาม่ได้พระคุณเจ้า พระคุณเจ้าสําหรับมารดาและบิดาบุตรเป็นผู้ที่ไม่อาจทํากิจตามที่ตนต้องการได้เพราะฉะนั้นมารดาบิดาจึงต้องทํากิจทั้งหลายคือการแต่งตัวให้ถูตัวให้อาบน้ําให้สระผมใหม้เนื่องจากว่าลูกยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พ่อแม่ก็เลยช่วยลูกมันจะว่าลูกจะยิ่งใหญ่กว่าพ่อแม่อะไรรอกขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปมมยก็ฉันนั้นเหมือนกัน พระสงฆ์หาชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งกว่าหรือวิเศษกว่าพระตถาคตเพราะเหตุสักว่ารับสั่งให้ถวายผ้าอาบน้ําฝนให้เท่านั้นไม่ก็แต่ว่าพระตถาคตเมื่อจะทรงทํากิจที่พระสงค์ไม่อาจจะทําตามที่ตนต้องการได้คือคือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จริงๆนะเพราะว่าปัจจัย4ี่ทั้งมวลที่เกิดในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นล้วนแต่เป็นของพระพุทธเจ้าเชื่อไม่ทําอะไรถ้าไม่อ้างพระพุทธเจ้านะเดือร้อนมากเลยนะ มันก็ถือว่า ส, สมบัติในพระศาสนาทั้งมวลล้วนแต่เป็นของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยได้โปรดคือกรุณาให้พระมาตุฉาพระนานางถวายพระอาบน้ําฝนแก่พระสงฆ์คือมันมีผลหลายๆด้านเนี่ยนะถ้าพระองค์ให้คนอื่นเอาไปถวายสงฆ์เนี่ยนะอาจจะว่าเป็นที่คอรหาหรืออะไรเป็นต้นเนี่ยนะแต่นี้ถ้าให้พระน้านางบูชาเนี่ยบอกดูสิขนาดพระน้านางคนที่เปรียบเหมือนแม่ของพระองค์อะ พระองค์ยังให้เอาผ้าเหล่านี้ไปถวายแก่สงฆ์แล้วคนเหล่าอื่นก็จะทําตามเป็นแบบเป็นแผนเป็นเยี่ยงเป็นอย่างตามนั่นเองขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าบุรุษบางคนพึงน้อมกล้าวถวายเครื่องบรรณาการแด่พระราชาพระราชาพระราชทานเครื่องบรรณาการนั้นแก่คนอื่นซึ่งเป็นข้าราชการบ้างกําลังพลบ้างเสนาบดีบ้างปุโรหิตบ้างขอถวายพระพร บุรุษผู้ได้รับเครื่องบรรณาการนั้นชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งกว่าหรือวิเศษกว่าพระราชาเพราะเหตุสักว่าได้รับเครื่องบรรณาการเท่านั้นหรือหนอแค่เอาของอพระราชานะเอาของของขวัญของอะไรที่คนอื่นใหมาไปให้คนอื่นเนี่ยคนอื่นเหนือกว่าพระองค์ไหมหาไม่ได้พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าบุรุษผู้เป็นผู้ที่พระราชาทรงชุบเลี้ยงเป็นผู้ที่อาศัยพระราชาเลี้ยงชีพพระราชาเมื่อสัก ทรงดำรงอยู่ในอิสริยฐานะนั้นก็ย่อมมีพระอํานาจพระราชทานเครื่องบรรณาการอันนั้นให้แก่คนอื่นได้ใหแ้แก่ทหารช้างทหารมา้าเป็นต้นเนี่ยทหารช้างทหารมา้าจะเหนือกว่าพระราชาได้อย่างไรอย่างพระพุทธเจ้าให้ผ้าแก่พระอานนท์ก็ไม่ได้หมายความว่าพระอานนท์นั้นน่ะยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ น, นะขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นพระสงฆ์เนี่ยนะหาชื่อว่าเป็นผู้ที่ยิ่งกว่า หรือวิเศษกว่าพระตถาคตเพราะเหตุสักว่ารับสั่งให้ถวายผ้าอาบน้ําฝนให้เท่านั้นก็หาไม่ทว่าพระสงฆ์เป็นผู้ที่พระตถาคตทรงชุบเลี้ยงทรงเป็นผู้ที่อาศัยพระตถาคตเลี้ยงชีวิตพระตถาคตทรงดํารงอยู่ในฐานะที่ว่านั้นนะนะคือเป็นผู้มีอํานาจเหนือกว่าก็รับสั่งถวายผ้าอาบน้ําฝนนั้นแก่พระสงฆ์ได้เพราะลําพังสง์อย่างเดียวเนี่ยนะถ้าไม่พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตเอาไว้อะไรเอาไว้เนี่ย ท่านก็ย่อมลำบากในปัจจัยสี่เป็นต้นอย่างแน่นอนอีกอย่างหนึ่งขอถวายพระพรพระตถาคตทรงมีพระดําริอย่างนี้ว่าทรงเป็นผู้ที่ชาวโลกควรบูชาโดยสภาวะสภาวะแปลว่าโดยการปฏิบัติเนี่ยนะสภาวะของท่านโดยการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นต้นเนี่ยสภาวะของท่านเนื่องจากว่าเป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติชอบอันนี้แหละเหตุผลหนึ่งที่ควรแก่การ บูชาเนี่ยนะหมายความว่าถ้าบูชาคนดีกับคนไม่ดีคนไหนหน้าบูชากว่ากันก็คนดีทั้งหลายหน้าบูชากว่าและเราเนี่ยนะก็ให้ชาวโลกบูชาพระสงฆ์ในสำนักของเราก็ว่าให้บูชาไม่ใช่ว่าบูชาเฉพาะรับหลังนะตอนหน้าก็บูชาได้ทัา น, นสมัยก่อนนี่เขาใช้คําว่าถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข เขาจะเรียกพิสูจน์สงเลยนะถวายพ่านแก่พระภิกษุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมาฮัลเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยเหตุผลที่พระสงฆ์เนี่ยสภาวะของท่านความปฏิบัติ ด, ดีของท่านก็น่าบูชาแล้วก็ให้บูชาก็หมายวึงบูชาที่อื่นนะบูชาในพุทธสํานักเลยเพราะฉะนั้นพระองค์ก็รับสั่งให้ถวายผ้านั้นแก่พระภิกษุสง์ขอถวายพระพรพระตถาคตหาตรัสการสรรเสริญการบูชาพระองค์เองเท่านั้นไม่ พระองค์ไม่ใช่ยกแต่ตัวเองนะไปที่ไหนยกเอาแต่ตัวแบบโอ้อวดแต่ตัวเด่นเฉพาะตัวอะไรเป็นต้นมาใช่ทว่าพระองค์นั้นตรัสว่าบุคคลเหล่าใดเป็นผู้ควรแก่การบูชาในโลกพระองค์ก็ตรัสสนรเสริญการบูชาแม้ต่อบุคคลเหล่านั้นปูชาจะปูชนียานังพระองค์ไม่บอกว่าตถาคตปูเชนียานังพระองค์ไม่พูดอย่างนี้นะต้องบูชาต่อพระตถ า, าคตเท่านั้นจึงจะเป็นมงคลพระองค์ตรัสว่า บูชาจะปูชนียาหนังพี่ควรอ่าน้องควรบูชาพี่หลานควรบูชาลุงป้าน้าอาลูกควรบูชาพ่อแม่สิทธิ์ควรบูชาครูบาอาจารย์คารวะก็ควรบูชาพระภิสุสงเป็นต้นเน่ยนะเขาก็ไล่ว่าผู้ใดคู่ควรแก่การบูชาก็ให้ผู้เกิดการบูชาแต่คําว่าบูชาไม่ได้แปลว่าต้องกราบทั้งหมดแม้กระทั่งว่าเข้าของเครื่องใช้การให้เกียรติอะไรเป็นต้นกันับว่าเป็นการบูชาแล้วเนี่ยนะ ฉันขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นเทพยิ่งกว่าเหล่าเทพเมื่อจะทรงยกย่องข้อปฏิบัติมีความมักน้อยเนี่ยนะมักน้อยก็คือมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียรที่เป็นกระถาวถัตถุเนี่ยนะในธรรมปริยายเรียกว่าธรรมธายาสูตรเรื่องธรรมทายาเนี่ยนะรับมรดกที่เป็นโลกุตระธรรมเนี่ยในมัชฌิมนิกายซึ่งเป็นแนวทางที่ประเสริฐที่พระองค์ตรัสว่า อสุเยวะเมปุริโมภิกขุปุ ช, ชัตตโรจัปาสังสตโรจัภิกษุรูปแรกนั่นแหละจัดว่าเป็นผู้ที่น่าบูชากว่าและน่าสรรเสริญกว่าสำหรับเราขอถวายพระพรในพบทั้งหลายสัตว์ผู้เป็นทักขินยะบุคคลไหนไหนที่จะสูงกว่าหรือยิ่งกว่าหรือวิเศษกว่าพระตถาคตหามีไหมพระตถาคตนั่นแหละเป็นผู้ทรงสูงสรงกว่า ยิ่งกว่าวิเศษกว่าเนื้อสรรพสัตว์ทั้งมวลเนี่ยนะจะเมื่อไรอย่างไรเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เหนือกว่ายิ่งใหญ่กว่าบุคคลทั้งบวงเสมอมาขอถวายพระพรมานาวคามิกะภิกษุ เ, เทพบุตร ย, ยืนอยู่ณเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าท่ามกลางเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้พาสิทธความข้อ น, นี้เอาไว้ว่า เขาเวปุระบรรพตเนี่ยนะ